ผู้มีตนอันอบรมดีแล้วมีผลมากกว่าทานที่ท่านทําอยู่นั้นแม้ทําตั้งหนึ่งร้อยปีพรามเอยการบูชาหรือการให้ทานด้วยทรัพพันหนึ่งทุกๆเดือนแก่คนผู้มีตนอันไม่ได้อบรมแล้วเป็นโลเกียมหาชนหนาแน่นด้วยกิเลสแม้จะทําอยู่สักหนึ่งร้อยปีก็หามีผลประเสริฐไม่การได้เห็นการบูชาการให้ทาน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 สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคพระทับนดาวดึงเทวโลกมีพระรัศมีอันเกิดจากพระบารมีรุ่งโรจน์เหนือเทพทุกหมูลาวอินทกะเทพบุตรมาเฝ้านั่งนภพปราเบื้องขวาอังกุระเทพบุตรนั่งณนภพปราศเบื้องซ้ายเมื่อเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่พากันมาเฝ้าอังกุระเทพบุตรต้องถอยร่นออกไปถอยร่นออกไปจนไกลลิบ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 ยังรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุดพระจันทร์ในหมู่ดาว อังคุระเทพบุตรกราบทูลดังนั้นแล้วพระศาสดาตรัสถามอินทกะเทพบุตรว่าเหตุไรจึงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยร่นไปเหมือนอังคุระเทพบุตรเล่าอินทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้ทักทีเนยบุคคลในการให้ทานดุจชาวนาหวานพืชลงในเนื้อนาดีพระองค์ผู้เจริญพืชแม้มากอันบุคคลหวานลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพ่บุญ ไม่ยังชาวนาให้ปราปลื้มยินดีฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ชนผู้ทุศีนผลย่อมไม่พัยโบ์ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นพืชแม่น้อยอันบุคคลหวานลงในนาดีเมื่อพิอรุณลังสายน้ำลงถูกต้องตามการผลย่อมมากยังชาวนาให้ยินดีฉันใดทานหรือสักการะแม้เพียงเล็กน้อยที่ทายกทําแล้วในท่านผู้มีศีล มีคุณธรรมผลย่อมมากทั้งยังทายกให้ยินดีฉันนั้นอินทกระเทพบุตรกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ถวายภิกษาฐารเพียงทัพผีเดียวที่เขานํามาเพื่อข้าพระองค์แก่พระอนุรุเทเถระสาวกของพระองค์ยังมีผลมากถึงเพียงนี้พระสักยมุนีจึงตรัสเตือนอังกุระเทพปบุตรว่าอังกุระ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 ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้อื่นถ้าการฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนบูชายันมีอ น, นิสงส์มากจริงแล้วฉะนานพวกพราหมณ์จึงมีข้อบัญญัติห้ามอย่างเห็นแก่ตัวว่าห้ามเอาคนในวันพะพราหมณ์ไปฆ่าบูชายันเล่าดูก่อนพราหมณ์พระาศาสดาตรัสณ์เมืองราชคลึดนี่นเองที่หมู่บ้านใหญ่ชื่อขานุมตัตตซึ่งพราหมณ์กูทันตะเป็นผู้ครอง ขอได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนนาแห่งแคว้นมคตให้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านนั้นคราวหนึ่งกูทันตพรามเตรียมการบูชายันโดยใช้โคเจ็ดร้อยลูกโคตัวผู้เจ็ดร้อยลูกโคตัวเมียเจ็ดร้อยแพะเจ0ดร้อยแกะเจ0ดร้อรวมเป็น 3,500 ตัวนำเข้าผูกไว้กับหลักเพื่อค่าบูชายันลองคิดดูเถิดว่า